อันนี้อาจารย์มีอะไรจะเปิดประเด็นไหมอยากถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องกรรมกรรมการากระทำเราเราอ่านในกูเกิมันก็มีกรมม ร, กรมรรมีกุศลกรรมและกุศลกรรมกรรมชาติหรืกรรมชาติหน้าอสัญกรรมชลบกรรมอะไรเงี้ยมันมีหลายประเภท อ, อื น, นี่ไอสิ่งที่เราควรจะเข้าใจหรือเราควรจะปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องเก่าก็ยังมีเจ้ากรรมนายเวนอะไรนี่นสรุปว่ามันกรรมอะไรท<ม>ั้งหลายทช่มันมันก็เกี่ยวกับศาสนาพุทธเพราะว่าผู้ใหญ่ก็จะสอนว่าไม่ทำกรรมดีอ<ม>ืมไม่ก็ต้องไปรับผลกรรมถ้าเราทำในชาติหน้าเขาลงมันสรุปแล้วกรรมนี่ยนะครับมันคือเราควรจะยึดหลักยังไงเพื่อจะปฏิบัติ ให้มันถูกต้องนะครับมันมีหลายประเภทเหลือเกินแนตะ่ว่าต้องไม่รู้<อ>ว่าเราคววจะดําเนินยังไงให้มีชัดเจนนะครับคําที่เราควรจะรู้ก็คือคําหมายความหมายของคําว่ากรรมกรรมนี้แปลว่าการกระทำํำการกระทํานี้ก็ทํำได้สามทางทางกายทางวาจาและทางใจทางกายเราเรียกว่ากายกรรม ทางวาจารเรียกว่าจีกรรมทางใจเรียกว่ามโนกรรมนี่เป็นตัวกรรมตัวที่กระทากรรมทั้งหลายนี่แล้วก็ในบรรดาในกรรมทั้งสามแต่ดีตัวที่ทำกรรมจริงๆก็มีตัวเดียวคือใจมโนกรรมใจเป็นผู้สั่งการร่างกายนี้เป็นเพียงผู้รับคำสั่ง ถ้าไม่มีใจร่างกายพูดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เพราะนั้นผู้ที่สั่งผู้ที่ทํากรรมจริงๆก็คือใจสั่งโดยความคิดมโนกรรมมโนกรรมก็คือความคิดสังขารความคิดปรุงแต่งนี่แหละตัวมโนกรรมวันนี้สังขารให้คิดให้มาวัดใช่ไหมคิดมันก็คิดไปได้สามทาง ไปทางกุศลหรือทางบุญไปทางบาปหรืออกุศลและทางที่ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญมันคิดได้สามทางคิดไปทําบุญคิดไปทําบาปคิดไปไม่ได้ทําบุญทําบาปเช่นอะไรที่ไม่เป็นบุญเป็นบาปเช่นทําอะไรที่ไม่ไปเกิดโทษเกิดคุณกับผู้อื่น ถ้าทำอะไรที่เกิดคุณกับผู้อื่นก็เรียกว่าบุญถ้าทำอะไรแล้วเกิดโทษกับผู้อื่นก็เรียกว่าบาปถ้าทำแล้วไม่เกิดคุณเกิดโทษกับผู้อื่นก็เรียกว่ากรรมที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเช่นอาบน้ำแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวไปซื้อกับข้าวกลับข้าวอะไรทำอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราเองเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นกรรมกลาง ไม่เกิดคุณเกิดโทษกับใครก็ไม่มีไม่มีผลกระทบตามมาต่อไปผลที่จะตามมาเรียกว่าวิบากที่เราก็เรียกรวมว่าวิบากกรรมคือผลของกรรมที่เรากระทำถ้าทำบุญปัจจุบันผลที่เกิดปัจจุบันก็คือความสุขใจสบายใจ เวลาทำบุญได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้นั้นเราก็มีความสุขใจเช่นใส่บาตรหรือว่าไปช่วยคุณพ่อคุณแม่พาคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลทําประโยชน์อะไรให้กับผู้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้แต่สัตว์เดราจฉปล่อยนกปล่อยปลาทําแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมาเรียกว่าบุญ และบุญนี้จะสะสมไปในใจเป็นเป็นพลังที่จะผลักดันใจเวลาที่ไม่มีร่างกายนี้ให้ไปสู่สุขติให้ไปสู่ ส, ส, สวรรค์ชั้นต่างๆอันนี้เรียกว่าบุญส่วนบาปที่เราทำทำการกระทาที่เกิดโทษแก่ผู้อื่นเช่นฆ่าผู้อื่นลักทรัพย์ของผู้อื่น พิษผิดโปรเนีโกหกหลอกลวงผู้อื่นทำแล้วมันก็จะทำให้เกิดความร้อนใจทุกข์ใจขึ้นม า, เ, าเรียกว่าบาปบาปก็คือความร้อนใจความทุกข์ใจแล้วก็จะถ้าทำมากๆ ม, มันก็สะสมเป็นพลังที่จะผลักดันจิตเวลาที่ไม่มีร่างกายเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตก็จะถูกพลังบุญพลังบาส น, นี้ ผลักดันให้ไปสู่ภพต่างๆถ้าพลังบาปมีกำลังมากกว่าพลังบุญพลังบาปนี้ก็จะดันให้จิตนี้ไปเกิดในอบายสี่อย่างใดอย่างหนึ่งตามตามลักษณะของบาปที่ทำท่านแสดงว่าทำบาปเพราะหลงเพราะไม่รู้ว่าเป็นบาปเช่นคนที่เขาทำมาหากินที่สุด ท, ที่เขาคิดว่าสุดเจริณ อาชีพคือไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นอาชีพที่ยังเป็นบาปคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพของตนเองอันนี้ก็ลักษณะของเดรฉ า, านเดรฉ า, านเขาก็ทาเขาก็ต้องฆ่าเพื่ออยู่สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเขาก็ไม่รู้ว่าบาป เขาก็ต้องทําเพราะเขาเคิดว่ามันเป็นการดํารงชีพของเขานี่ก็เช่นเดียวกันผู้ที่ทําบาปด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปไม่รู้ว่ามีผลบาปตามมายตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเดละฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆทั้งๆ ท, ที่พอมีพอกินไม่ทําบาปก็ได้แต่อย่า เราอยากรวยอยากมีอะไรมากๆก็เลยทําบาปเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการมามากๆากเรียกว่าเปรตพวกเปรตนี่ไม่มีกายอยากเหมือนเดชานเป็นดวงจิตที่มีคุณลักษณะที่หิวตลอดเวลาเพราะความอยากนี่ได้เท่าไหร่มันจะไม่อิ่มไม่พอมีแต่อยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ก็เลยทําให้เกิดความหิวโหยอยู่เรื่อยๆพวกนี้ไม่เคยทำบุญเพราะอยากจะได้ของคนอื่นแต่ไม่อยากจะให้คนอื่นมีอะไรหวงเก็บเอาไว้ซ่อนเอาไว้พวกนี้เวลาตายไปจิตจะหิวโหยเป็นเปรตพวกนี้แหละเป็นพวกที่จะมาขอส่วนบุญของพวกที่มีทีวิตอยู่เพราะว่า บุญนี้ทําให้เขาระงับความหิวได้แต่เขาไม่เคยทําก็เลยไม่มีบุญติดไปเขาก็เลยต้องมารอรับส่วนบุญของผู้ที่ยังมีชีวิตยอยู่ส่งไปให้เรียกว่าเปรตพวกทิสานพวกอสุรกายนี้เขาเรียกว่าพวกที่ทําบาปด้วยความกลัวภาษาอังกฤษก็เรียกพารานอยกลัวไปหมด กลัวนุ่นกลัวนี่ก็ฆ่ามันซะก่อนกลัวยุงกลัวมดกลัวแมลงกลัวงูกลัวอะไรที่คิดว่ามันจะมาทําร้ายเราเราก็ฆ่ามันซะก่อนอันนี้เรียกว่าทําบาปด้วยความกลัวลักษณะของจิตที่ทําบาลด้วยความกลัวที่เป็นอสลรกายก็คือมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตลอดเวลาแล้วประเภทที่สี่ พวกที่ทํำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเบียดเคียดแค้นใครพูดอะไรไม่ดีทําอะไรไม่ดีอดูถูกดูแคลนหยามน้ําใจก็อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมใจก็จะร้อนเป็นไฟขึ้นมาก็เรียกว่าพวกนี้เป็นพวกนรกทํำบาปด้วยการด้วยอาการอาฆาตพยาบาทฆ่าผู้ ให้มาทำร้ายเราหรือทำอะไรให้เราเสียหายมีความโกรธเกลียดเคียดแค้นทำบาปแล้วก็จะทำให้ตนเองต้องไปนรกนรกก็คือสภาพใจของของใจที่ทำบาปนั้นมีความร้อนเหมือนถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลามันเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเวลาเราเครียดแค้นใครใจเราสงบใจเราเย็นไหม ใจร้อนบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่คือลักษณะของวิบาสของบาปที่กระทำเนี่ยกรรมนี้ที่เขาบอกอดี ต, ตกรรมปัจจุบันอนาคตมันก็อยู่ที่ว่าเราความจริงอดีตมันทําเป็นก็คํากรรมที่เราทําในปัจจุบันนี้เมื่อเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นอดีตไป กรรมที่เราทำปุ๊บนี่มันเป็นอดีตไปแล้วเมื่อทาแล้วไปแก้ไม่ได้แล้วไปฆ่าคนแล้วไปแก้ไม่ได้แกรรมนี้มันมันจะส่งผลมันตอนนี้มันสะสมอยู่ในใจเราไว้ก่อนสะสมเป็นพลัง <c oughs> แต่วเวลาไม่มีร่างกายไม่มีอะไรที่จะดึงใจให้อยู่กับร่างกายมันก็จะถูกพลังของกรรมของบาปนี้ดันไปให้ไปสู่ภพของมัน กรรมก็ทำกรรมจริงๆมีกรรมแค่ปัจจุบันแต่พอทําปั๊บมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วส่วนกรรมอนาคตก็คือวางแผนนวางแผนคิดว่าจะทําอะไรดีอย่างเมื่อวานนี้คิดว่าจะมาวัดเนี่ยพอคิดแล้วก็พอถึงเวลามาก็มาอันนี้ก็เรียกเป็นกรรมอดีตปัจจุบันอนาคตเแต่ความจริงมันก็เป็น เป็นปัจจุบันกรรมเราทําได้แต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองแต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปมันไหลไปเรื่อยๆตามเวลาเอเนี่ยวิจีกรรมของเราตอนนี้พูดปั๊บมันก็ผ่านไปพูดปับปดป๊บก็ผ่านไปพูดดีมันก็เป็นผลกับใจเราแล้วพูดไม่ดีมันก็เป็นผลกับใจเราแล้วะแล้วมันก็สะสมไปเรื่อยๆถ้าเป็นดีเนี่ยพูดวันนี้พูดเรื่องกุศลเรื่องบุญเป็นประโยชน์เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น ใจก็มีความสุขใจก็เย็ยนสบายสะสมความเย็ยนไปไเรื่องนเหนกับติดเปิดเครื่องปรับอากาศให้ใจให้ใจมีความเย็ยนจากการที่เราพูดธรรมะสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นโดยที่เราไม่คิดเงินทองไม่มีรายได้ตอบแทนถ้ามีรายได้ไม่เรียกว่าบุญอาจารย์สอนหนังสืออาจารย์มีรายได้เงินเดือนอย่างนี้ไม่เรียกว่าบุญถ้าอยากจะได้บุญต้องไม่รับเงินเดือน เป็นวิทยาทานไปถึงจะเรียกว่าบุญนี่การทําบุญนี้มันก็จะส่งผลกระทบกับผู้ที่รับบุญหรือบาปที่เราทํานี่มันจะมีผลกับผู้ที่รับการกระทําของเราเราก็เลยมีเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาเจ้า ก, กรรมนายเวรก็คือผู้ที่เขาถูกเรากระทบแล้วการกระทําของเราที่กระทบเขาแบบเสียหายทําให้เขาเดือดร้อนเขาก็ต้องโกรธเกลียดเรา เขาก็ต้องไม่ชอบเราเขาก็ต้องไม่อยากจะทำอะไรดีที่ดีกับเราอยากจะทำแต่สิ่งที่ไม่ดีกับเราคนที่เขาได้รับผลกระทบจากการกระทของเราเขาก็จะไม่ชอบเราเกลียดเราเราก็จะเรียกเขาว่าเจ้ากรรมนายเวรเวลาเจอหน้ากันเจออะไรกันมักจะไม่ค่อยถูกถูกกันทําอะไรก็มักจะขัดขวางกัน หรือทำร้ายเราด้วยวิธีต่างๆนาๆนาบุคคลเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราคือเราอาจจะไม่ได้ทำกันในชาตินี้ก็ได้แต่ทำกันมาก่อนในชาติก่อนแต่พอมันเห็นหน้ามันจำได้มันไม่ได้จำได้ที่หน้าตามันจำได้ที่วิธีพูดของเราวิธีการกระทาของเราอันนี้มันไม่เปลี่ยนไปกับร่างกายเราเคยพูดยังไงเนี่ยเสียง วิธีพูดของเราเนี่ยไปเกิดชาติไห น, นมันก็พูดแบบนี้วิธีเดินวิธีทำอะไรของเราเคยทำอะไรแบบไห น, นมันก็จะทำแบบนั้นไปเห็นพอเราเจอไอ้คนที่เราเคยเห็นมาก่อนทำแบบนี้พูดแบบนี้พอเจอกันปับ๊บเราก็รู้เลยว่าจะชอบหรือไม่ชอบถ้าเป็นคนที่เราชอบคนที่ทำประโยชน์ให้กับเรามีบุญคุณกับเราเราก็เรียกผู้มีพระคุณคู่บุญ เราไม่เรียกว่ากรรมเราไม่เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรเราเรียกว่าคู่บุญอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่เราใช้กันอธิบายถึงบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยว่ามีบุญมีบาปต่อกันหรือเปล่าถ้ามีเคยมีบาปต่อกันเคยทำบาปต่อกันมาเราก็เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรไปส่วนคนที่มีได้ทําบุญร่วมกันมาก็เรียกว่าเป็นคู่บุญกัน เจอกันก็ชอบกันรักกันมีอะไรกัที่เกี่ยวกับกรรมตามหลักๆก็ให้รู้แค่นี้ว่ามีอยู่สามการกระทามีสามทางแล้วตัวที่ทาจริงๆก็คือมโนกรรมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้มาคุมตัวนี้ตัวเดียวให้มีสติเฝ้าดูสังขารความคิดปรุงแต่งให้ควบคุมความคิดปรุงแต่งให้ได้ขั้นต้นก็ต้องหยุดมันก่อน ถ้าเราหยุดไม่ได้มันก็จะให้มันไปทาในทางที่เราต้องการให้มันไปไม่ได้สังขารมันก็ติดเป็นนิสัยสันดานมาคนที่ชอบคิดไปในทางที่ดีมันก็จะคิดไปในทางที่ดีคนที่ชอบคิดไปในทางที่ไม่ดีมันก็จะคิดไปในทางที่ไม่ดีเราต้องมาแก้ส่วนใหญ่ที่มาเกิดนี้มันคิดไปในทางที่ไม่ดีมันคิดไปตามทาง ตามความหลงอวิชชาอาวิชชาปัจจะยาสังขาราเห็นหอวิชชาเป็นผู้สั่งให้สังขารปิคิดปรุงแต่งให้คิดปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีทางที่ไม่ดีดคือทางไหนทางที่ไปหาความทุกข์เพราะความหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสให้คิดไปในทาง การหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่รูปเสียงกลิ่นรสนี่มันไม่เที่ยงเวลาได้มาแล้วหมดไปมันก็จะทุกข์นี่สังขารมันพาให้ไปทางนี้คิดอวิชามันสอนให้สังขารคิดไปในทางนี้เมื่อไปทางนี้มันก็จะมักจะไปทำบาปควบคู่กันไปเพราะเวลาถ้าทำด้วยวิธีไม่ได้ทำบาปมันทำยากใช่ไห ทำบาปมันง่ายกว่าขโมยเงินนี่มันง่ายกว่าไปทํางานวันหนึ่งกว่าจะได้เงินเดือนสามร้อยนี่เหนื่อยแสนเหนื่อยสู้ไปโกงไปขโมยอะไรปั๊บเดียวดีไม่ดีได้เป็นหมื่นเป็นแสนมันก็เลยมีแนวโน้มที่จะไปทําบาป ก, กันนอกจากว่าเป็นผู้ที่ได้ถูกผู้รู้สั่งสอนมาก่อนว่าอย่าไปทํำบาปให้ทําบุญให้อดทน ให้ทำงานที่ไม่เป็นโทษกับผู้อื่นเราจะได้ไม่มีโทษตามมาอันนี้มันก็อยู่ที่การสะสมนิสัยเหล่านี้มาในแต่ละพบแต่ละชาติว่าจะหาหาเงินหาทองหาความสุขทางจา ก, กรูปเสียงกินรสโดยวิธีไหนบางคนก็มีแบบลูกครึ่งมีทั้งสองอย่างถ้าหาโดยสุดจิตได้ก็หาไป แต่ถ้าหาไม่ได้บางทีก็ก็จะหาโดยวิธีทุจริตแต่ไม่ได้ทำแบบตลอดเวลาทำแต่เฉพาะเวลาที่มันไม่สามารถที่จะหาได้โดยวิธีทุจริตบางผู้ก็ไม่เอาทุจริตเลยเอาแต่ทุจริตอย่างเดียวพวกวิชาชีพเนี่ยมันก็แล้วแต่สันดานนิสัยที่เคยเคยคิดเคยทำมามันก็จะคิดจะทำต่อไปอย่างนั้น อันนี้คืออวิชชาเป็นผู้สั่งให้จิตของพวกเราคิดไปในทางที่ทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันใช่พราะรูปเสียงกลิ่นรสตาหูจมูกลิ้นกายมนไม่เที่ยงแต่ความอยากที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสมันยังมีหลังจากที่ตาหูจมูกลิ้นกายตายไปแล้วมันก็ยังมีความอยากอยู่มันก็เลยทำให้กลับมามีตาหูจมูกลิ้นกายหน่อย กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็มาทำบทําบาปหรือไม่ทำบาปเองแล้วแต่โอกาสแล้วแต่วิสัยสันดานที่ได้ปลูกฝังมาแต่ไม่ว่าจะทำบาปหรือไม่ทำบาปมันก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดีที่ตรงที่ว่ามันถ้าไม่ทำบาปมันก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย ตายมาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำบุญแล้วถ้ามีคนสอนให้ทำบุญด้ใจมีความเมตตาต่อผู้อื่นเวลามีอะไรเหลือเฟื่อก็แบ่งให้ผู้อื่นตายไปก็ไปสวรรค์ก่อนไปสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วถ้าเกิดไปพบนักบวชเข้าสอนให้นั่งสมาธินั่งสมาธิเป็นสอนว่า การหาความสุขจากการนั่งสมาธินี่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการหาจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ไปฝึกนั่งสมาธิกันตรงนี้ก็จะได้นิสัยใหม่นิสัยที่จ ะ, ะประหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกริ้นกายก็ได้เป็นไปสวรรค์ชั้นพรหมกันแต่มันก็ยังมีตัวความอยากที่ยังทำให้จิตนี้ อยากจะกลับมาเสพรูปเสียงกลิ่นลดเยอะตอนที่ถือศีลแปลดไปอยู่วัดบางทีก็ทนไม่ไหวก็ต้องกลับมาอยู่บ้านมาดูทีวีมาอะไรต่างๆทางตาหูจมูกเิ่นกายเพราะสมาธินี้ยังไม่สามารถกำจัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้ต้องรอให้มีคนที่รู้จักวิธีกำจัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้ ก็คือต้องรอพบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่จะมาสอนวิธีที่จะให้กาจัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปอันนี้ก็คือเรื่องวิธีเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตแต่ละดวงที่มีนิสัยผัก ด, ดันให้ไปเวียนว่ายตายเกิดตามนิสัยที่เคย มีอยู่ถ้าชอบทำบาปกับมาเกิดมันก็จะทำบาปถ้าไม่ชอบทำบาปกับมาเกิดมันก็จะไม่ทำบาปถ้าชอบนั่งสมาธิกลับมาเกิดมันก็จะไปนั่งสมาธิแล้วถ้าโชคดีบังเจิพระพุทธศาสนาเข้าก็ได้ไปเรียนทางปัญญาต่อได้รู้วิธีกาจัดอวิชชาตัวที่ผักดันให้จิตต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอวิชชาก็คือความหลง มองไม่เห็นไตลนะักมองไม่เห็นอริยาาสัจสี่นี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทำลายอาวิชชาคนแรกด้วยการเห็นว่าสิ่งที่อวิชชาบอกว่าดีมันไม่ดีมันเป็นทุกข์ราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันไม่ดีมันเป็นทุกข์ต้องทำลายมันอย่าไปทำตามมันพอทำลายมันได้ก็จะไม่มีตัวที่จะผลักดันให้มา หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากลาบยอสรรเสริญมันก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการยุติกรรมทั้งปวงต้องยุติด้วยปัญญาเพราะกรรมของเรานี้เกิดจากความหลงความหลงหลอกให้เราคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสความสุขอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญ ่ทุกคนนี่เกิดมานี่ไม่ต้องสอนเลยว่าให้หาราบลศสารเสพติดกันให้หารูปเสียงกลิ่นลดกันเด็กไร้เดียงสามันยังรู้เลยให้นมยาคู่มันกินมันยังติดเลยไม่ต้องสอนเลยของพวกนี้เพราะมันมันมันอยู่มันฝังอยู่ในสันดาแล้วพอได้สัมผัสกับรถอะไรที่ถูกปากเลยก็ติดละมีความสุขละนี่แหละคือ เรื่องของกรรมทั้งหลายเกิดจากอาวิชานี้เองอวิชชาคือความหลงที่คิดว่าความสุขอยู่ที่การอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ที่ราบยศสารเสริญเห็นทุกคนที่มาเกิดนี้ก็เลยมาแสวงหาราบยศสารเสริญมารูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ก็เรียกว่ากรรมละทีมันจะกรรมแบบไหนละ่ะกรรมแบบบาปหรือกรรมแบบไม่บาป ถ้าเราหาราบยศสารเสริมด้วยวิธีสุจริตทำมาหากินอย่างที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทาที่ไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาปมันก็ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจเวลาตายไปก็ไม่ต้องไปรับผลบาปถ้าไม่ได้ทำบาปแต่ถ้าไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ไปรับผลบุญเช่นเดียวกัน ก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาทำแบบนี้ใหม่อาจาก็ต้องกลับมาเกิดเพราะยังมีความอยากมีความหลงความหลงที่หลอกให้ใจอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาราภยศสรรเสริญเยอะจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอย่างที่พวกเราพบกันตอนนี้ ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีใครสอนเรื่องตายรักไม่มีใครสอนเรื่องอริยสัจสี่เราก็จะไม่รู้ว่าของที่เราหากันนี้เป็นทุกข์กันเราก็คิดว่าเป็นสุ ข, ขกันยังหากันอยู่เนี่ยทั้งๆมีอยู่ในเมืองศาสพุทธศาสนาก็ยังหาราบยศสรรเสริญกันเป็นบ้าเป็นบ อ, นนะอยังังคิดว่าได้เงนมาแล้วได้รวยแล้วจะมีความสุ ข, ขกัน ได้ยศได้ตำแหน่งแล้วจะมีความสุขกันได้สรรเสริญน่่มจะมีความสุขกันแต่มองไม่เห็นตอนที่มันเสื่อมเห็นแต่ตอนที่ได้เวลาได้มันก็สุขกันทั้งนั้นแะแต่พอมันมันเสื่อมนี่มันทุกข์ไหมเวลาเงินหมดนี่มันทุกข์ไเวลาตำแหน่งหมดนี่เวลาเกษียณแล้วอายุหกสิบเขาปลดละเคยเป็นอธิบดีก็ไม่ได้เป็นละ ไปเป็นประลัดก็ไม่ได้เป็นนะทีนี้เป็นอะไรเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่บ้านเลี้ยงหลานเศร้าสร้อยงอยเหงาคนสรรเสริญก็ไม่มีละไม่มีใครมาคอยยกย่องสรรเสริญมันก็เลยอยู่แบบซึมเศร้าคนที่กเกษียณอายุถ้าไม่รู้จักทำใจหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องหาวิธีแก้ เช่นหาเงินเก็บไว้เยอะๆพอกเกษียณก็ไปเที่ยวกันจะได้ลืมความเศร้าที่เกิดจากการที่ไม่ได้มีตําแหน่งแล้วไม่มีรายได้แล้วทีนี้ต้องอาศัยเงินที่เก็บไว้ละเพื่อจะได้ไม่ทําให้เืมเศร้ากันก็เที่ยวกันไปจนวันตายจนเที่ยวไม่ไหวแต่พอตายไปมันก็ยังติดเที่ยวติดความสุขทางตาหูจะมูกล่นกายอยู่มันก็กลับมาเกิดใหม่ แตก่อนจะกลับมาเกิดก็อยู่ที่บุญกับบาป ท, ที่ทําไว้ในใจว่ามันมีมากน้อยเพียงไรตัวไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางนั้นนี่คือเรื่องของกรรมที่เราทํากันอยู่ให้รู้แค่นี้รู้กรรมตัวสําคัญที่สุดก็คือมโนกรรมท่านถึงฝึกให้เราฝึกสติกันเนี่ยเพราะตัวที่จะหยุดมโนกรรมได้ก็คือสติเหมือนรยอนยนต์นี่ สิ่งที่จะหยุดรถยนต์ได้ก็คือเบรกถ้าไม่มีเบรกนี้หยุดรถยนต์ไม่ได้มันก็วิ่งไปอย่างเดียวมีแต่คันเร่งอย่างนี้ไม่มีเบรกเราใจเราของญาติโยมส่วนใหญ่มีเบรกแต่เบรกยังไม่มากพอเบรกในระดับที่หยุดทําบาปได้ถ้ารู้ว่าเป็นบาปนี้ก็หยุดได้แต่ถ้าให้หยุดความอยากนี้ยังไม่มีกําลังพอ ความอยากนีหยุดไม่ไหวหยุดความคิดไม่ได้ยังนั่งสมาธิกันไม่ค่อยได้จิตไม่รวมเพราะว่ากำลังสติสู้กำลังความอยากไม่ไหวสู้อวิชชาปัจจยาสังขาราไม่ไหวอวิชามันปั่นให้คิดไปในทางความอยากคิดให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสเวลานั่งพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ไหวแล้วเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แล้ว อยากจะดื่มอะไรแล้วอยากจะกินอะไรแล้วอยากจะดูอยากจะฟังอะไรแล้วก็เลยนั่งไม่สงบจิตไม่รวมแต่ถ้าสติมีกำลังมากกว่าความอยากมันก็จะดึงให้เข้าไปถึงบ้านของจิตคือฐานคือสมาธิได้สมาธินี่คือบ้านของจิตที่อยู่ของจิตตอนนี้จิตถูกความอยาก ผักดันให้มาอยู่แถวตาหูจมูกนิ้วกายเพื่อจะได้หารูปเสียงกลิ่นรสละเวลาดึงมันเข้าไปมันจึงรู้สึกอึดอัดเพราะมันชอบออกมาข้างนอกมันมันมีความสุขจากการมาทางตาหูจมูกนิ้วกายมันไม่เคยเข้าข้างในพอจะดึงมันเข้าข้างในก็เลยรู้สึกว่ามีแรงต่อต้านมากแต่ไม่รู้ว่าความสุขที่ ไดจากการเข้าข้างในนี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากการออกมาข้างนอกถ้ามันลองได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบเพียงครั้งเดียวมันจะติดใจแล้วมันจะพยายามสร้างสติให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ่อจะได้ดึงจิตให้เข้าไปข้างในให้มากให้อยู่ข้างในให้มากให้นานให้บ่อยพอเหมือนเข้าไปอยู่ในห้องปรับอากาศเนี่ยเอกมาข้างนอกมันร้อนถึงแม้มันจะสนุกแต่มันร้อน รูปเสียงกลิ่นรสมันสนุกแต่มันก็ร้อนมันก็ทุกเวลาหารูปเสียงกลิ่นรสก็ทุกเวลาสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสไปก็ทุกแต่เวลาได้มามันก็สุกดีใจมันก็เลยมันก็เลยแบบอยากจะออกมาเพราะมันไม่มันไม่รู้จักความสุขแบบอื่น มัไม่รูมันไม่เคยสัมผัยกับความสุขที่ได้จากความสงบว่าดีกว่าว่าเป็นอย่างไรมันก็เลยต้องออกมาความสุบจากรูปเสียงกลิ่นนนท์เั้นเวลาที่จะดึงมันเข้าไปถึงต้องสู้กับมันมันชักกระเยอะกันการมตัญหานี้เอาวิชาการมตัญหามันจะผลักดันให้จิตออกมาทางตาหูจมูกนิยย้นยให้คิดเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นนท์ให้คิดอยู่กับเรื่องราบยศฉลเสร มันก็เลยไม่ไม่มีกำลังพอที่จะดึงเข้าไปข้างในจึงต้องมาสร้างสติกันโดยการเริ่มบริหารบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปให้มากยิ่งบริกรรมพุโทโธได้มากเท่าไหร่มันก็จะหยุดสังขารที่จะคิดไปทางลาบยศฉลเสริญได้มากไปตามลำดับนะ้รท่านอาจารย์ครับที่นอาจารย์อธิบายว่าไอ้ิว่าจิตรวม เพราะผมจะเจอให้คําเนี้ยบ่อยเช่นรูกตัวอย่างเช่นตอนพระอ น, นุโลมท่านท่านตัดสรุปไอท้ท่านท่นตัดสรุปท่านบนรรลุเพราะจิตก็ต้องรวมแสดงว่าจิตรวมเนี่ยใครก็ตามเนี้ยถ้าจะบรรลุ ก, ก็ต้องจิตรวมจึงนะครับมันมันคือมันมันเรื่องมันต้องรวมด้วยปัญญา ถ้ารวมด้วยสตินี้มันไม่บรรลุมันได้บรรลุสมาธิมันมีบรรวมสองแบบรวมด้วยสติเช่นพุโทโธพุทโธนี้มันไม่บรรลุมันยังไม่มีปัญญามันเพียงแต่หยุดความอยากไว้ชั่วคราวแต่ถ้ารวมด้วยปัญญาเห็นว่าเป็นทุกข์สิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกข์แล้วก็หยุดทําทำลายความอยากได้อย่างถาวร อ, อันนั้นถึงจะเรียกว่าบรรลุ ได้จิตรวมเนี่ยมาที่อาจารย์สอนมาคอัปปนาสมาธิหรือแปลว่าจิตรวม อ, อ, อ, นนอันนั้นเป็นสมาธิส่วนถ้าจิตรวมมันก็เหมือนกันมันก็เข้าไปสู่อปปนาเหมือนกันแต่เข้าไปด้วยปัญญาด้วยการทำลายตัวตันหาความอยากที่คอยดันจิตให้ออกไปข้างนอกพอตัวที่ดันถูกทำลายไปมลนไม่มีตัวดนันมันก็เข้าไปโดยอัตโนมัติ อ่านใจัหมสติเพียงแต่เพียงแต่ระนับความอยากไว้ชั่วคราวเพราะกาลังของสติมีมากกว่าจึงดึงจิตให้เข้าไปในบ้านได้ไอตัวที่ดึงจิตให้ออกนอกบ้านมันยังมีอยู่แต่มันมันเรามันสู้กําลังของสติไม่ได้แต่สักพักเดี๋ยวกําลังสติก็อ่อนลงมันก็จะดึงออกมาออกจากสมาธิมาเอามาสู่ ตาหูจมูกลิ้นกายมาสู่รูปเสียงกลิ่นรสใหม่แต่ถ้าใช้ปัญญามันจะฆ่าพวกที่จะดึงจิตออกมาให้ตายเลยเพราะเห็นว่าความอยากที่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสนี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขก็เลยตัดมันไม่ทำตามความอยากเลิกอยากไม่มีความอยากอีกต่อไปพอไม่มีความอยากมันก็ไม่มีอะไรดึงจิตให้ออกมาข้างนอก จิตมันก็เข้าข้างในกลับสู่ที่ฐานเดิมกลับด้วยปัญญาถ้ากลับแบบนี้มันจะอยู่ในนั้นไม่มีตัวนึงออกแล้วนิพพานมันก็เลยเนี่ยสมาธินั้นก็จะกลายเป็นนิพพานไปต่อไปถ้าไม่มีความอยากนิพพานสมาธิต่างกันตรงที่นิพพานไม่มีความอยากสมาธิมีความอยากเพราะสมาธิไม่ได้ตายด้วย ไม่ได้มันสมาธิมันมันเข้าไปด้วยสติก่อนที่พระเจ้าจะตัดสัู้้พระพุทธเจ้าก็มีนิพพานแบบนี้แล้วมีสมาธิแบบนี้แล้เข้าฌานกันได้แต่ไม่เข้าได้ชั่วคราวพอกําลังสติอ่อนเมื่อไหร่ตัณหาความอยากมันก็จะผลักดันออกมาแต่ถ้าใช้ปัญญามันก็จะฆ่าตัณหาให้หมดไปพอตัณหาหมดมันไม่มีตัวดันให้จิตออกมาแล้วมันก็จะอยู่ข้างในไปตลอด อาจารย์ก็เคยสอนว่าเวลาฝึกเนี้ยให้พยายามจิตรว ม, มเพราะว่าจิตรวมเนี่ยก็แปลว่าตอนนั้นเนียจิตเราเนี่ยจะสัมผัมสมกสับความสงบเพื่อสมาัสความสงบเนี้ยเราก็จะเริ่ม มีกำลังใจติดใจอยากได้ความสุขยังตัดกิเลสไม่ได้แล้วเป็นเป็นความสงบชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวให้กลับมาพิจารณาตายเวลาเวลาบ่อยๆเวลาอยากอะไรใช้ตายลักษ์มาหยุดความอยากมันก็จะมันก็จะเป็นมันก็จะตัดอมันจะเลิกิอยากได้อยากบุหรี่ก็เลิกได้อยากกาแฟก็เลิกได้อยากมีแฟนก็เลิกได้ถ้าเห็นว่าได้มาแล้วเป็นทุกข์ มันก็เลยต้องอาศัยสามตัวคือมองทุกข์โดยผ่านทางกดอนัตตากับกฎอนิจจ์แล้วก็มองมองทุกข์ที่เกิดจากความอยากอริยสัจสี่ใช่ไหมทุกข์เกิดจากความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากจะหยุดความทุกข์ได้ก็ต้องหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นใต้เห็นอนิจจงเห็นอนัตตาเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เพียงเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ น, นี่ก็คือวิชาขปัจจาระคนเนี่ยตัดสรู้เนี่ยท่านตัดสรู้ตรงนี้แหละไม่มีใครรู้มาก่อนความสัมพันธ์ระหว่างตารรยลักกาอะลิราชสีกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ผขก็ถึงบอกว่าอวิชาปัจจยาสังขาระเพราะเกิดวิชามันก็ไม่มันก็ไม่มีปัจจัยในางความอยากมันก็ไม่มปรุงแต่งไปทางความอยากมันก็ไม่กลับมาเกิดมันก็จะอยู่ข้างในเข้าใจเอม นี่แหล ะ, ละคือกรรมการยุติกรรมหยุดกรรมจริงแท้จริงก็คือต้องหยุดด้วยปัญญาลบกรรมใกล้ตา ย, ายาครับก็เหมือนกันเราใกล้ตายมันก็ใกล้ตายก่อนตายหนังมันก็กรรมเหมือนกักนแหละแต่ค น, น, นมันนึกอะไรที่เปนดีไม่มาคิดกันแบบง่ายๆไงเหมือนกับพวกนักเรียนที่ไม่ไม่ทําการบ้านไม่ดูหนังสือพอวันใกล้สอบก็มาท่องกันคืนก่อนสุดท้ายมันจะท่องไหวหรือเปล่า ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันพวกที่ไม่ยอมทําบุญไม่ยังชอบเที่ยวยอกกินชอบเล่นไม่ชอบนั่งสมาธิไม่ชอบหยุดความอยากหยุดความคิดก็ไว้ร อ, อกใกล้ๆตายแล้วค่อยมาทําใจกันมันจะทําได้หเปล่าใช่ไหมอ่านั่นแหละก็บอกถ้าจุดสุดท้ายดีมันก็ไปดีก็จริงแต่มันจะดีได้ยังไงถ้ามันทําไม่เป็นะทําให้มันดีไม่เป็นแล้วอยู่รอเวลาวลาระสุดท้ายยิ่งเวลาจะตายนี้จิตมันยิ่งไม่มีสติใหญ่ มันจะค้างอยู่แล้วมันปวดมันเจ็บมันทรมารมันหวาดกลัวนี่มันจะไปทําอะไรได้ใช่ั้ยเหมือนนั่งมวยไม่ซ้อมเลยจะมาซ้อมคืนก่อนจะขึ้นเวทีนี้ลองไปซ้อมดูดิหรือก่อนชัว่วโมงหนึ่งก่อนจะขึ้นเวทีแล้วก็เตรียมซ้อมไว้พอเข้าห้องไอซยูแล้วก็ไปไปฝึกสมาธิกันไปจะมีปรัสนากันไปทาบุญกันมันทาได้หรือเปล่า ตอนนั้นน่ะอพวกนี้มันพวกคิดแบบมักง่ายไงพวกขี้เกียจพวกที่จะเอามาลู้กันแบบง่ายๆเป็นไปไม่ได้หรอกพระเจ้าถึงบอกอย่าประมาทให้รีบทํำใชงแต่ตอนนี้อย่าไปรอจิตสุดท้ายออคิดว่าวันนี้เป็นจิตสุดท้ายแล้วถ้าจะดกล้คิดอย่างนี้ อาจจะตายตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวออกเดินออกไปอาจจะลื่นน้มหัวฟาดพื้นตายไปก็ได้หรือข้ามถนนเผลอไม่ได้มองรถวิ่งมาชนตุง้งตายเลยก็ได้หล้วหัวใจมันกำลังจะวายก็วายเลยก็ได้พอมีอะไรมันกระทบหน่อยก็หัวใจวายเลยให้คิดแบบนี้มันจะได้รู้ว่าอันนี้เรากำลังใกล้จิตสุดท้ายแนละ้วแต่ไม่คิดกันอย่างชไมมันคิดโอกูจะอยู่ไป ย0 3สิบสสิบปีจะอยู่ไปถึงแปดสิบเก้าสิบปีเนี่ยที่นี่ความคิดของอวิชามันหลอกเราหลอกให้เราไม่มาทำเตรียมตัวกันไว้ไม่มาทำการบ้านตั้งแต่ตอนนี้ไม่มาทำเตรียมตัวเข้าห้องสอบ น, น้าแต่ตอนนี้พอถึงเวลาเข้าห้องสอบไปหาหมอหมอบอกโยมเป็นมะเร็งว่าเหลือสามเดือนดูสิจะมีกระจิกกระใจจะทำไหม อาจารย์นะเรากำมาทานสี่สิบเนี่ยก็นี่นะเป็นวิธีสร้างสติไงมันมีเทวดารู้สติสมรมทานมันหมายถึงอะไรก็คนที่เชื่อเทวดาไงก็แล้วลกถึงเทวดาคิดถึงพระอินทร์พระพรหอะไรก็ว่าไปถ้าดีจะใช้พุทธโธก็ใช้พระอินทร์แทนก็นลิกถึงพระอินทร์แทนบางคนก็ชอบพระอินทร์ก็เลิกถึงพระอินทร์บางคนชอบครูบาอาจารย์ก็เลิกถึงสังโฆพระริยสงฆ์บางคนชอบพระพุทธเจ้าก็เลิกถึงพระพุทธเจ้า บางคนชอบพระธรรมคำสอนก็ให้เลือกถึงว่าทําคําสอนแต่วมดแล้วนะแต่จริลุดไงกรรมฐาน40ินี่เหมือนอาหารที่ขายอยู่ที่ในร้านเนี่ยเขาให้เราเลือกมีเมนูแต่ไม่ต้องกินมันทั้งสี่สิบอย่างหรอกเอาอย่างได้อย่างหนึ่งอชอบกว๋วยเตี๋ยวก็สั่งกว๋วยเตี๋ยวมากินอชอบข้าวผัดก็สั่งข้าวผัดมากินกินแล้วมันอิ่มเหมือนกันแต่ความชอบมันไม่เหมือนกัน บางคนชอบพุโทโธบางคนชอบยุบหนอพองหนอบางคนชอบอนาปนานสติดูลมหายใจเข้าออกบางคนชอบคิดถึงความตายคิดถึงความตายแล้วจิตมันเย็นมันสงบสำหรับคนบางคนบางคนก็ชอบอสุภะคิดถึงซากศพแล้วแหมรู้สึกใจเย็นสบายถ้าไปคิดถึงของสวยๆงามๆนู้นใจร้อนเกิดการมาราคะขึ้นมา กรรมฐานสี่สิบก็เลยแล้วแต่จริตที่จะใช้กันที่เขาสอนกันพุโทโธเพราะเห็นว่ามันเป็นของที่เหมือนขับเป็นข้าวผัดเนี่ยกินได้ทุกคนใครๆก็กินได้จึงนิยมใช้พุโทโธเพราะมันง่ายสั่งไปที่ไหนก็มีข้าวผัดนี่ไม่ไม่ถ้าไปทุกคนทุกแห่งที่ไหนก็สั่งข้าวผัดได้ แต่ถ้าสังอาหารบางชนิดนี่เสียใจที่นี่ไม่มีขายยังครูบาอาจารย์ท่านก็เลยใช้พุทธโธเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นกรรมฐานที่ง่ายและเหมาะกับตจิตทั่วๆไปแต่ถ้ามีกรณีที่พิเศษเขาบอกก็ไม่ชอบก็คิดถึงกระดูกทีไรเก็ชอบกระดูกมากกว่าอย่างนั้นก็ได้ใช้กระดูกก็ได้บางคนดูโครงกระดูกแล้วจิตสงบเพ่งดูนึกนึกอยู่กับโครงกระดูกอย่างเดียว ก็ได้บางคนก็ชอบเพ่งลมหายใจก็ได้บางคนชอบเพ่งสีก็ได้ชอบสีเขียวนั่งหลับตาที่ไรก็เห็นสีเขียวก็ให้เพ่งอยู่กับสีเขียวถ้ามันเพ่งอยู่กับสีเขียวมันก็ไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้หยุดสังขารไงเป็นวิธีหยุดสังขารด้วยอุบายสี่สิบโดยกรรมฐานสี่สิบ อย่างเวลาบวชพระนี่เขาให้สอนกรรมฐานห้าสอนนับห้าอาการของร่างกายให้เป็นกรรมฐานก็ได้ให้พระสงฆ์ใช้เป็นตัวผูกจิตควบคุมความคิด ต, ต่างๆการคิดถึงผมขนเล็ดฟันหนังจิตก็จะเย็นจะสบาย อย่าไปเห็นหน้าตาคนว่าเป็นดาราเป็นนายแบบเป็นนางแบบเห็นใครก็เห็นเหมือนกันหมดเห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังเข้าใจไหมมันมีแค่นี้คนเรามีแค่ผมขนเล็บฟันหนังแต่มองไปเห็นเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเออเป็นดาราเป็นนายแบบเป็นนางแบบความจริงมันก็แค่ผมขนเล็บฟันหนังแค่นี้ กรรมฐานไม่ได้เลยคือตัวที่จะทำให้จิตระงับสังขารความคิดปรุงแต่งกรรมฐานนี่มันก็มีสองแบบเป็นแบบสติอย่างเดียวบางอย่างก็เป็นแบบปัญญาด้วยเช่นร ล, ลึกถึงความตายนี่มันเป็นปัญญาด้วยเพราะมันทำให้เห็นอนันจจังเจความตายนี่มันอนันยิังเพงพอคิดถึงความตายนี่มันจะทาให้ความอยากต่างๆหายไปเลย พอคิดถึงความตายขึ้นมาอันนี้ก็เป็นปัญญาเอบางอย่างก็เป็นแค่สติเช่นกระสินสีเขียวสีแดงสีขาวสีเหลืองนี่มันไม่มีปัญญาอยูน่นะมันไม่ได้มองเห็นว่าเป็นตายรักหรือเป็นเป็นทุกข์เป็นอะไรแต่อะไรที่มันเห็นแล้วมันทําให้เกิดปเป็นปัญญาขึ้นมามันก็ได้สองเด้งเลยกรรมาฐานแบบสองเด้งยิงนกทีเดียวได้สองตัว ถ้าใช้กรรมฐานแบบที่เป็นปัญญาเช่นการพิจารณาซากศพสิบชนิดเนี่ยการพิจารณาการสันสิบสองของร่างกายอันนี้จะได้ปัญญาจะเห็นอสุภะของร่างกายจะเห็นอนิจจาของร่างกายจะเห็นอนัตตาของร่างกายถ้าพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปอันนี้ก็เป็นกรรมฐานที่เป็นทั้งอารมณ์ของสมถทและอารมณ์ของวิปัสสนา ทำให้จิตสงบแล้วก็ได้ปัญญาด้วยคือสงบแบบกิเลส ต, ตายเลยอต่ถ้าสงบด้วยพุทโธนี่มันสงบแบบไม่ตายสงบแบบถูกน็อกน็อกแปดพุทโธพุทโธไปกําลังของกิเลสมันก็จะอ่อนลงอ่อนลงเพราะมันไม่สามารถทํางานได้มันต้องอาศัยความคิดคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสมันถึงจะเกิดตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสได้ แต่พอคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปมันก็คิดถึงรูปสิ่งเกลื่นลดไม่ได้ตามอย่างให้รูปสิ่งเกลื่นลดก็ออกมาแสดงตัวไม่ได้แต่ไม่ตายแอ่าชั่วคราวดังนั้นกรรมฐานสี่สีนี้ก็แบ่งเป็นสองสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นกลุ่มของอารมณ์ของสมาธิอย่างเดียวกับกลุ่มที่เป็นของปัญญาะ ถ้าเป็นปัญญามันก็จะได้ทั้งสองอย่างเพราะเวลาได้ปัญญาจิตมันก็เข้าสู่สมาธิเหมือนกันแต่เข้าแบบกิเลส ต, ตายแต่ถ้าเข้าด้วยสตินี้มันเข้าด้วยกิเลสหมดกำลังสู้กำลังของสติไม่ได้แต่ไม่ตายเช่นเราดูลมหายใจยนี่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็น เ, เป็นอารมณ์ของสติมากกว่าของปัญญา เแต่รูเข้าดูออกหรือบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปแล้ว เ, เริกเถียงพ่อพุทธคุณพ่อธรรมคุณพ่อสังคคุณนี้มันก็เป็นเพียงอารมณ์ของสติมันไม่มีปัญญาอย่างนี้นมันไม่มีตายลักอย่างเนี้ยมันมองไม่เห็นตายลักมันต้องเห็นตายลักมันถึงจะเรียวกว่าปัญญาเนี่ยก็กลับมาที่ตรงนี้กลับมาที่การฝึกสติ มาปฏิบัติกันมาเปกวิเวกมาถือศีลแปดเพราะไม่ถือศีลแปดมันก็ไม่มีเวลามาปฏิบัติถือศีลห้าเดี๋ยวมันก็กินข้าวเย็นได้กินข้าวเย็นเดี๋ยวมันก็ง่วงนอนดีกว่าก่อนนอนก็ดูทีวีก่อนดูละครก่อนดูหนังก่อน ใ, ใจที่จะมาคิดเดินจงกรมนั่งสมาธิมันไม่เอาแต่ถ้าถือศีลแปดหลังจากเที่ยงวันไปแล้วมันก็หมดจิตเรื่องกินละ หลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิได้จะทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ทำไม่ได้ดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้นอนกับแฟนก็ไม่ได้มันก็เลยมีเวลามาเจริญสติหรือเจริญปัญญาแล้วแต่ระดับของผู้ปฏิบัติบางคนมีสมาธิแล้วก็ไปเจริญปัญญาต่อไปฝึกดูทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นไตรละ เพื่อจะได้หยุดความอยากเวลาเกิดความอยากในสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์แต่เห็นทุกอย่างว่ามันมีป้ายอกระโหลกศีรษะควาดก็ควาดกระดูกติดอยู่เราจะไปกินไหมเครื่องดื่มไหนที่มีเออเราไม่เห็นกระโหลกควายกระดูกกันถ้าเราเห็นป้ายที่เขียนที่ติดกระโหลกเนี่ยควาดกระดูกนี้เห็นปั๊บรู้เลยว่ากินไม่ได้ เป็นอันตรายเราไม่เห็นตายรักกันมันทุกอย่างมันเป็นตายรักหมดแต่เรามองไม่เห็นกันเรากลับไปเห็นว่าเป็นใบรับรองของอยเราก็เลยเสพกันเสพแล้วก็ติดใช่ไหมแล้วเวลาไม่ได้เสพก็ทุกข์และ แต่ถ้าไม่มีความอยากเราจะไม่ทุกเวลาไม่ได้เสกเช่นบุหรี่นี่ยถ้าเลิกถ้าเลิกความอยากบุหรี่ได้มันจะไม่ทุกคนที่ไม่มีความอยากบุหรี่ไม่เห็นทุกเลยไม่มีบุหรี่สูบแต่คนที่มีความอยากสูบบุหรี่เนี่ยเวลาไม่มีบุหรี่นี่โอ้เดือดร้อนหงุดหงิดลาคาญใจเปิดอัดหายใจไม่สะดวกต้องมีควันเข้าไปเคลียร์หน่อย <c oughs> ถึงจะหายอึดอัดนี่แหละโทษของความอยากดูตัวอย่างคนที่อยากบุรีอยากเล่ากับคนที่ไม่อยากบุรีอยากเล่าก็เห็นชนะัดแล้วอย่างไหนดีกว่ากันคนที่อยากยาเสพติกกตกกกดกับคนที่ไม่อยากยาเสพติดนี่ใครสบายกว่ากันะคนที่อยากลูปเสียงเกลิ่นรสกับคนที่ไม่อยากเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่อยากท่านอยู่วัดได้แต่ญาติโยมนี่อยู่วัดไม่ได้อยู่แล้วอึดอัด อยากจะกลับบ้านเพราะที่วัดไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เศษนี่แหละเราต้องกบจัดความอยากเหล่านี้ให้หมดไปจากใจด้วยสติด้วยปัญญาสองตัวนี้ขั้นต้นต้องเอาสตินึงใจให้เข้าไปหาความสุขภายในให้ได้ก่อนความมีความสุขภายในแล้วก็จะได้มีกำลังว่าเออกูไม่มีมันกูก็อยู่ได้ เหมือนถ้ามีแฟนใหม่แล้วแฟนเก่าอยากจะเลิกก็เลิกได้เลยถ้าเรามีแฟนใหม่แล้วเแต่ถ้ายังไม่มีแฟนใหม่แฟนเก่าอยากจะเลิกนี่โอ้นไม่ยอมพ้นเดทติ้งขาดไม่ยอมเพราะเวลาเลิกแล้วมันไม่มีใครเหงาเลยใช่ไหมแต่นี้ไม่เป็นไรเรามีแฟนใหม่แล้วพระเจ้าบอกให้เรามาหาแฟนใหม่ก่อนหาความสุขใหม่ก่อนหาความสุขที่เกิดจากความสงบก่อนเมื่อเรามีความสุขแล้วเวลาที่เราสู้กับความอยาก เราจะไม่ทรมานใจเพเราจะเข้าไปอยู่ในสมาธิแทนเวลาอดอยากบุหรีมันทุกเราก็เข้าไปในสมาธิแทนเข้าไปในสมาธิมันก็หายทุกออกมาความอยากมันก็หายไป่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังเพราะทุกครั้งที่มันอยากมันไม่ได้มันก็มันก็จะอ่อนกำลังไปแล้วเดี๋ยวไม่ไม่นานมันก็หายอยาก อาจารย์แ ล, แล้วเวลาเราอโหสิกรรมนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับใจตรงนั้นเลยคือใจเราเนี่ยมันอโหสิกรรมมันมีอยู่สองส่วนส่วนเรากับส่วนเขาอะ่ะเราเอาโหสิกรรมแต่เขาไม่อะไม่อโหสิกรรมก็ก็ทําทําอะไรเขาไม่ได้เช่นเราไปตีหัวเขาเราไปขอโทษเนี้เขาบอกกูยังไม่ยิหายโกระถ้องกูตีหัวมึงก่อนนี่ยิหายโกรนนี่เราก็ต้องยอมให้เขาตีหัวถึงจะกรรมถึงจะหมด ก็ยังอยากตีหัวเราอยู่เราก็ต้องให้เขาตีนนะัไปขอโทษกันไงเขาก็ไม่เขาก็ไม่เขาก็ไม่หายอนะ่าการอาหูสีกรรมของเราก็ดีตรงที่ว่าเราจะไม่ทําำลายเขาอีกแล้วแต่ จ, จริงหรือป่าวก็พูดไปอย่างนั้นตอนนี้กลัวเขาก็เลยไปอ่อ <c oughs> พอไม่กลัวเขาเกิดเวลาโกรธขึ้นมาใหม่ก็อาจจะไปตีหัวเขาใหม่ก็ได้ การโหสิของเราเป็นการสำนึกผิดไงเหมือนว่าโอ้ข้าพเจ้านี้สำนึกผิดแล้วข้าพเจ้าขอโทษขอโหสิกรรมอแต่ทางกะเวลาทำผิดกฎหมายนี่ทางกฎหมายบางทีผมขอโทษไงกูต้องขังคุกอยู่ดีเนี่ย ม, มันก็ไม่เข็ดหลาบสิใช่ไหมดงนั้นทางที่ดีก็อย่าไปทำกรรมอย่าไปทำบาปอย่าไปทำร้ายผู้แล้วก็จะไม่มีใครก็จะมาทำร้ายเรา ถ้ามีก็ถือว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีคนดีคนชั่วปนกันไปเป็นความซวยของเราที่ไปเจอคนชั่วเดินไปกลางถนนก็มาป้นเราอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิบากของการมาเกิดถ้าไม่อยากจะเจอคนชั่วแบบนี้ก็อย่ามาเกิดแต่ไม่ได้อาจจะเป็นกรรมเป็นเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาก่อนเป็นหลายคนนั้นพอดีมันต้องการเงินแล้วมันเห็นเราเป็นคนที่สามารถที่จะ ให้เงินมันได้มันก็เลยมาป้นมาที้เราไม่ได้หมายความว่ามันต้องเป็นเจ้ากรรมนายเวรเงินเสมอไปเป็นปกติของโลกที่เราอยู่มันอันนี้จังไม่มีอะไรแน่นอนมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์วนกันไปวนกันมาแล้วแต่จังหวะของชีวิตเราจะไปเดินเจออะไรเข้าอันนี้ไม่เป็นเรื่องของวิบากถ้าจะเป็นวิบากก็วิบากตรงที่มาเกิดนี่เอง ถ้ามาเกิดมันก็ต้องมาเจอของเหล่านี้ถ้าไม่อยากจะเจอของเหล่านี้ก็อย่ามาเกิดแต่ส่วนที่เจอเจ้ากรรมในเวรก็คือเจอ้คนที่เกลียดที่หน้าเราเนี่ยไปทํางานไปเจอคนนี่มันเกลียดที่หน้าเรามันก็คอยขัดขวางคอยกัน่นคอยแกแล้งเราไม่ยอมให้เราจเจริญก้าวหน้าขัดแข้งขัดขากันอยู่เรื่อยๆอันนี้เรียกว่าเจ้ากรรมในเวร ก็ปอง่าเกิดมาในโน่ถ้าไม่หวังอะไรมันก็ไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะมันอยากมันหวังมันอยากกัน อ, อย่างเมื่อเช้านี้มีข้าราชการคนหนึ่งมาขอพรบอขอให้จะไปสอบเป็นขออสอบมาหลายโหนไม่ได้สิโอ้ยทุกข์เหลือเกิน ก, ก็นบอกที่มันทุกข์ก็เพราะอยากได้ถ้าไม่ถ้าไม่อยากได้มันไม่ทุกข์หรอ ถ้าอยากได้ก็ต้องขยันดูหนังสือไปแล้วก็สอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันไม่ชา้าก็เลยมันก็ต้องได้เองแหละ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่อยากเสียอย่างมันก็ไม่มีปัญหาออ <c oughs> ไม่ทุกข์กัน <c oughs> ถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องมาเกิดกันก็ไม่ต้องมาเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันดีหรอกมันหลอกเราดีตอนได้มาใหม่ๆเท่านั้นเอง แต่้ันดีใจกินเลี้ยงฉลองกันไม่กี่วันเดี๋ยวก็มองตําแหน่งที่สูงกว่าไปแล้ว <ør g les> เป็นก้าวบันไดเป็นขั้นบันไดแคนีน้ <c oughs> กินเลสมันจะหลอกเราไปเรื่อยๆ <ør g les> หลอกว่าได้มาแล้วจะดีพอได้มาดีไม่กี่วันไม่มีความหมายแล้วอยากจะได้ของใหม่แล้วเพราะมันไม่มันไม่ให้ทำใจให้อิ่มมันไม่ทําใจให้สุขเนี่ยไม่เหมือนกับสมาธิเนี่ย สมาธิแล้วมันอิ่มมันสุกมันจะไม่อยากได้อะไรงั้นให้เรามาฝึกสมาธิการทําใจให้สงบกันแล้วมันจะอิ่มมันจะพอแล้วมันจะตัดความอยากได้สิ่งต่างๆไปได้หมดเลยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์อาจารย์ครับเอาอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเจ้ากรรมในเวรหรือว่าคนที่แกล้งเราเนี่ยครับแต่ถ้าเราเรานักสมาี่หรนะือว่าทำบุญเนี่ยเราแข็งไม่ตายเขาตลอด แต่ ว, วิธีแผ่ก็ต้องเราของมาให้เขาเสียน้ําแผ่ด้วยใจไม่ได้หรอกอคนมีแฟนก็เอาแบบให้ก็ยืนใช้บ้างก็ได้ออมีเงินก็ให้เขาใช้บ้างอามีรถก็ให้เขาไปใช้บ้างถ้อาอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ชนะใจเขาได้ได้ไหมเป็นสัมคาปุสสีการแ ก, แก้กรรมได้แต่เพียงแต่เราอยอมยอมใช้ค่าใช้จ่ายหรือเปล่าเราทํารถไปชนเ้ารถเสียองนี้ เขาก็โกรธเราโาโหเราฟ้องร้องกันถ้าเราไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อรถใหม่ให้เขาจะฟ้องร้องไงใช่ไหมก็ซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่ให้เขาไปเลยสให้มันดีกว่าเก่าด้วยซื้อเบ้นให้มันขับไปเลยดูว่ายังจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเราอยู่เปล่าดีไม่ดีกลายเป็นเพื่อนกันกล้วสิใช่ไหมถ้า อ, อยากจะแผ่เมตตาต้องแผ่แบบนี้ไม่ใช่นั่งแผ่คนเดียวอยู่ในห้องพระใครรับหระ นักสมาธิก็แผ่เมตตาชอบแผ่แบบนี้ถผ่แบบไม่เข้าเนื้อไงแต่แบบเข้าเนื้อไม่ยอมแผ่ <c oughs> นะมันไม่เกิดประโยชน์แผ่เมตตาแบบนี้คนนับเขาไม่ได้รับอะไรจากเราอ่ะใช่ไหมต้องต้องเขาต้องได้รับประโยชน์จากเราถึงเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาจริงเขาเป็นหนี้เราก็ยกหนี้เขาให้เขาไปเลยเออไม่เป็นไรยกให้ไม่ต้องมาใช้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วแผ่เมตตา อภัยทานคนไทยเรานี่หลงผิดชอบแผ่เมตตาตอนนั่งสมาธิเสร็จตอนไหว้พระสวดมนต์เสร็จแต่พอเราไปเจอหน้ากันด่ากันทะเลาะกันแก่งแย่งชิงดีกันแล้วก็ไปต่อเวรเกาะกรรมกันเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันละกันแผ่เมตตานี่แหละเป็นตัวกรรมจัดเจ้ากรรมนายเวรได้แต่ต้องแผ่ให้มันถึงถึงเหตุถึงผลถึงลูกถึงคนใช่ไหม เราสร้างความเสียหายให้กับเขาเท่าไหร่ลองชดใช้ทักสองเท่าดูเลยหายเลยนะอาจารย์ก็อย่างที่อาารย์พูพดไม่ใช่ว่าชาติที่แล้วเราอาจจะเคยทำหนึ่งเขาไว้แล้วเกิดมาชาตินี้ยเขาหวิดล็อกแรกเพราะเขาไม่พอใจกับเราแล้อใช่ก็จําลักษณะท่าทางเราได้ไงไการพูดของเรานี่การพูดของเราการกระทําในต่างของเรานี่มันมันเหมือนเดิม แต่ร่างกายเป็นคนละคนเหมือนคนขับรถเนะี่ยเปลี่ยนรถใหม่กี่คันวิธีขับของมันก็เหมือนคันเดเหมือนคันเก่าอ่นิสัยขับรถมันเหมือนกันมันไม่เปลี่ยนไปกับรถใหม่หรอกอ้อไม่ใช่แก้เนี่ยนี่คือว่าที่พูดว่านี้เพราะเขาจําเราได้หรือเราจําเขาได้ไเราจําเขาที่นิสัยเขาเนะี่ยว่พอก็ เ, เห็นเรานิสัยแบบนี้เขาก็เกลียดเราขึ้นมาหรือเห็นเรานิสัยแบบนี้แล้วก็ชอบเราขึ้นมา พรชาติก่อนเขาเคยเจอนิสัยแบบนี้แล้วเขาชอบเขาก็จะชอบเราถ้าเขาเจอนิสัยแบบนี้เขาเกลียดเขาเมื่อเจออีกเขาก็จะเกลียดโดยที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแต่ทําไมมาเกลียดกลัวใช่ไหมเพราะว่ามันชาติก่อนมันเขาเคยเจอแบบนี้มาอาจจะไม่ใช่เป็นเราก็ได้อาจจะเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเราก็ได้เอาแล้วเนี่ยคิดว่าชั่วแล้ชั่วโมงแรกก็ ผ่านไปแล้วก็ขออนุโมทนาให้พรยะทาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกะปติอิชิตังปัทิตังตุมหังคิดปปเมวะสมิจจตุสัเพปุเรนตุสังกปะปาจันโทปนะระโสยะถามณิชโชติ อาลโสยทาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทนศีลสะนิจังวุธาปจายิโนจตารธรรมวาทานติอายุวโนสุขัง ขอ่คาะข อ, ขอาขออยานได้มคั้ัน้ได้ น, นั่งสมาธิคะ่ะพอนั่งแล้วมันเห็นรูปะอะค่ะก็อย่านั่งเฉยเสยแต่นั่งต้องมีอะไรกำกับใจต้องมี<อ>พุทโธถ้ามีอะไรเห็นก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไป เยะไม่เป็นไรถ้าถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปมันเหมือนดูทีวีอ่ะไม่เป็นไรล้วไม่มีมันไม่มีสาระสําคัญอะไรไม่มีคนไม่มีโทษอยู่ที่ตัวเราไปทําให้มันเป็นคุณเป็นโทษด้วยความกลัวความรักความชังนี่เองงั้นอย่าไปสนใจมันไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรกับเราเพียงแต่มันจะมารบกวนใจเรานั้นเราต้องพยายามให้เกาะติด อ, อยู่กับพุโทโธไป บริกรรมพุทโธให้มันถี่ขึ้นก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจเนี้ยมันก็หายไปมันไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับแล้เวลากลางคืเนี้ยมีอีกข้อนึงนะคะเวลากลางคือ่ะหมืนไม่ได้นอนหลับเลยค่ะเหมือนจิตมันไปอะค่ะนั่นแหละจิตแล้วไม่มีสติไงต้องฝึกสติไปเยอะๆต่อไปมันก็ไม่ไปพอเราไม่พอเราไม่พุทโธมันก็ไปมันก็ปรุงแต่งไปมันก็เลยนอนไม่หลับ ต้องใช้พุโทโธดูลมหายใจเขาออกดึงเาไว้ฝึกไปเยอะๆก่อนจะฝึกทั้งวันเลยได้ยิ่งดีตั้งแต่เติ่ขึ้นมาก็หัดพุโทโธท่องพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆเราไปจิตเราจะเน่งจะไม่ไปจะไม่สร้างอะไรให้มาหลอกเราเอาพวกนี้เป็นงานของจิตทั้งนั้นผลงานของเราเองอมันไม่มีคุณไม่มีโทษอะไรเพียงแต่เราไปรับไปชังไปกลัวมันเอง พยายามสร้างสติขึ้นมาด้วยการหัดบริกรรมพุโทโธไปทั้งวันเลยแล้วรับรองไล้ว่าจะจะแก้ปัญหานี้ได้แต่ก็พยายามแล้วอย่างนั่งอยู่ที่ไหนถ้าหลับตาปุ๊บจะเห็นรูปคำสีก็พุโทโธทันทีเถ้าเห็นก็พุโทโธทันทีเหมือนเหมือนกับปวดท้องปุ๊บก็กินยานทันทีเห็นรูปป้อกะแล้วก็พุโทโธทันทีอันเดียวมันก็หายไปนะเอ่ พยายามหัดพุดโทโธพุโทโธไว้พอเวลาเราจะใช้มันเราจะใช้มันได้ถ้าเราไม่ซ้อมไม่ก่อนพอถึงเวลามันไม่มาพุโทโธมันยังไม่มาวนะันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่มันมีเฟซบุ๊กสองจัดสี่สร้อยห้าสิบหกค่ะยูทูบหนึ่ง้อยามค่ะมีชาวต่างชาติส่งข้อควางเข้ามามั้งไห ม, มไม่มีนะ คำถามจากคุณตามเวลาที่ผมนั่งสมาธิพอหลับตาแล้วระ ล, ลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วจะมีแสงแววๆลงมาตอนหลับตาแสงนี้คืออะไรเพราะว่าเป็นทุกครั้งที่นั่งสมาธิครับคือมันจะเป็นอะไรไม่สําคัญอนี่ยสำคัญว่าเราจะทํางานกับมันะ วิธีปฏิบัติกับมันก็คือไม่ต้องไปสนใจมันมองให้เห็นว่ามันเป็นตายรักไปเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปถ้าเราไปอยากไปยุ่งกับมันมันก็จะทุกข์ถ้าเราไม่ไปอยากไปยุ่งอย่าไปอยากไปรู้ว่ามันเป็นอะไรพออยากมันก็ทุกข์แล้วเนี่ยต้องมาเขียนมาถามเรานี่ถ้าเห็นว่ามันเป็นอ น, นิจจังเกิดแล้วก็ดับมันก็ไม่ต้องมาถามไม่เสียเวลานะสิ่งายที่เห็นพูเจ้าบอกว่า ให้มันเป็นตายรักไปหมดเห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาในเหมือนกั น, น, นพยายามอะไรเกิดขึ้นมาอย่าไปสนใจมันไม่มีคุณมันไม่ได้ให้คุณให้โทษกับเราเราตัวเป็นคนให้คุณให้โทษกับตัวเราเองด้วยความรักด้วยความชังด้วยความกลัวด้วยความหลงาถึงต้องใช้ปัญญามาแก้ว่วามันเป็นแค่อนิจจังทุกขงกังอนัตตามันเกิดแล้วก็ดับ ห้ามมันก็ไม่ได้สั่งมันก็ไม่ได้ห้ามมันไม่ให้ดับก็ไม่ได้สั่งให้มันไม่เกิดก็ไม่ได้มันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดับถ้าเราปล่อยวางมันก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราอย่าไปสนใจว่ามันเป็นอะไรมันก็เป็นของที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิตเนี่ยเป็นส่วนใหญ่หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นของมที่มาจากข้างนอกมาจากกายทิพย์ต่างๆก็มีท่านั้นมีสองอย่าง ดนวันนิมิตในกันนิมิตนอกนิมิตในก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของจิตนิมิตนอกก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของของกายทิพย์ทั้งหลายที่เขามาติดต่อกับเราแต่ถ้าเราไม่ไปรับเหมือนกับโทรศัพท์ถ้าเขาโทรมาเราไม่ไปรับสายเดี่ยวเขาก็วางสายไปเองไม่ต้องไปสนใจคำถามจากคุณมอง เวลานั่งสมาธิรู้สึกปวดขามากครับเป็นเหมือนการปวดใหม่ครับแล้วมีวิธีแก้ไหมครับมีก็ปล่อยมันปวดไปห้ามมันไม่ได้มันอยากจะปวดก็ปล่อยมันปวดไปเราก็อยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับความปวดแล้วความปวดจะไม่มาลบกวนใจแต่ถ้าเราไปอยากให้มันหายมันจะลบกวนใจแล้วมันจะทำให้เรานั่งต่อไปไม่ได้ ก็ดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายไงอย่าไปดูที่หน้ามองที่ก้นบ้างมองของที่มันออกมาจากก้นบ้างฮะชอบไปมองที่หน้ามันก็เลยเห็นว่ า, งงามันสวยมันงามไปลองที่ก้นดูเนี่ยอยู่ของที่ออกมาจากก้นมันน่าดูนะดูใน ส, ส่วนที่ไม่สวยงามดูเข้าไปข้างในดูของที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเนี่ย หน้าเราเนี่ยมันมีอะไร ม, มันมีหนังคลอบอะไรอยู่ดูไอ้ของที่มันถูกครอบอยู่สิกะโลศีรษะนี่มีเต็มไปหมดมองไม่เห็นกันสักคนไปเห็นที่มันติดป้ายตามขวดยาต่างๆขวดยาพิษแต่ของที่มันเกลื่อนเห็นหน้าเห็นต่อหน้าต่อตากับมองไม่เห็นเพราะมันถูกหนังหุ้มห่ออยู่ท่านั้นเองเราต้องใช้ปัญญาปัญญามันจะมองทะลุหนังเข้าไปได้ วิธีมองทะลุ ก, ก็คือไปดูกระโหลกศีรษะของคนตายแล้วอแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับของคนเป็นว่ามันต่างกันตรงไหนมันก็ต่างกันแค่ตรงที่มีหนังกับไม่มีหนังหุ้มหอ่อนั้นเองเห็นเวลาเราเห็นหน้าคนก็อะถอดหนังออกสะลกหนังออกเราก็จะเห็นกะโหลกศีรษะที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเวลาส่องหน้าดูกระจกตัวเองก็เห็นกะโหลกศีรษะตัวเองไหมไม่เคยเห็นเลย เห็นแต่หนังเห็นแต่คิ้วเห็นแต่ตาโอ้เห็นแต่ฟันแต่ไม่เห็นกะโหลกฟันนี่ก็ส่วนหนึ่งของกะโหลกเนี่ยมันก็ติดอยู่กับกะโหลกแต่มองเห็นแค่ฟันนันเองเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนมิติเปลี่ยนการมองใหม่มองให้มองด้วยปัญญาคือหัดมองอาการสามสิบสองตอนต้นก็ไปนึกถึงชื่อมันก่อน ท่องชื่อมันไว้ผมขนเล็บปานหนังเนื้อเอ็นกระดูกเห็นไหมพอถึงเอ็นก็เจอกระดูกกระดูกก็มีตั้งแต่กระดูกศีรษะลงมาถึงกระดูกเท้าโครงกระดูกแล้วก็เข้าไปในอวัยวะต่างๆมีปอดมีไตมีตับมีลำไสไม้มองเข้าไปตอนต้นก็ท่องชื่อไว้ก่อนท่องแล้วต่อมาก็นึกภาพแต่ละชิ้นว่าเป็นยังไง ถ้าไม่รู้ภาพเป็นยังไงก็เปิดหนังสือดูหนังสือนักศึกษา น, นักศึกษาแพทย์ก็มีภาพวาดให้เห็นปอดหัวใจอยู่ตรงไหนลำไส้อยู่ตรงไหนกระดูกศีรษะอยู่ตรงไหนโครงกระดูกอยู่ตรงไหนศึกษาเหมือนเหมือนกับนักศึกษาแพทย์พยาบาลเนี่ยเขาต้องศึกษาเขาเรียกกายวิภาค a ะนาตอมพยายามดูนึกดูอยู่บ่อยๆ แ้วต่อไปเห็นดาราภาพยนตร์มันก็จะไม่เห็นเป็นดาราภาพยนตร์มันจะเห็นเป็นแค่อาการสามสิบสองเห็นแค่โครงกระดูกเห็นแค่ปอดเห็นเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆนี่วิธีพิจารณาสุภารือจะไปดูซากศพก็ได้มีศพสิทธิชนิดด้วยกันศพตายใหม่ศพตายสามวันขึ้นอื่นพองขึ้นมาศพที่แตกเฟ่ออกมาเนื้อ อะไรออกมาศพที่ถูกสุนัขแรลงกัดขาไปทางแขนไปทางศพที่แห้งกรอบเหลือแต่โครงกระดูกอะไรทำนองนี้นี่คือการดูอสุภะดูความจริงของร่างกายที่เรามองไม่เห็นกันเราเห็นเพียงด้านเดียวเห็นแต่ด้านสวยงามด้านไม่สวยงามมองไม่เห็น เราก็เลยหลงไหลข้างใครกับร่างกายของเราและของคนอื่นแต่ถ้าเห็นว่าเป็นอสุภะ้วมันก็จะไม่หลงไหลข้างใครมันจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับการซื้อเครื่องสำอางซื้ออะไรต่างๆมาคอยมาตรงมาแต่งแต่งศพแต่งอะไรก็แต่งศพได้ดีนี่เองมองไม่เห็นศพตัวเองเห็นเป็นนางฟ้าเห็นเป็นเทวดากันไป นี่แหละอวิชชาความหลงใช่ไหมถ้าไม่มีพระต้ามาสอนไม่มีใครคิดอยากจะดูว่าสุภาษอ่ะแต่นี่แต่ละวันเนี่ยนี่มีคนมาถามเลยวิธีดูสุภาดูยังไงเ อ, อก็ดูสิเนี่ยตัวเราเนี่ยอสุวภาเต็มไปหมดไม่ต้องไปดูคนอื่น่แต่ก็ให้ดูทั้งของเราทั้งของคนอื่นมันจะได้ไม่ไม่ไม่ลาเอียง เ, เดี๋ยวเห็นของเราเป็นอสุภาษเห็นของคนอื่นไม่อัศวภาษมันก็จะน้อยใจได้ หรือถ้ามองคนอื่นเขาสุภาพแล้วไม่มองตัวเองก็อาจจะหลงว่าเอ้ยเราเราสวยคนอื่นไม่สวยก็ได้แต่เราต้องดูทั้งเขาทั้งเราท่านถึงได้พิจารณากายนอกกายในกายนอกก็กายของคนอื่นกายในก็กายของเราเพื่อจะได้ไม่ไม่หลงไม่ลำเอียงจะได้เห็นว่ามันเหมือนกันหมดแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นดินน้ําำนมไฟไป นี่คือไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายรท่านถามจากักจุาวท่านเคยบอกว่าควรที่จะานาความตายบ่อยๆท่านหมายความว่าให้กิเลสในตัวให้มันตายจนกว่าจะได้ทานิพาใช่ไหมคะไม่ใช่ให้ร่างกายมันตายกิเลสมันได้ตายถ้าเราเห็นว่าร่างกายจะตายนี่กิเลสมันหดหมดถ้าหนูไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเหลืออีกสามเดือนนี่อยากเที่ยวหาย หายอยากเลยอยากซื้อกระเป๋าอยากซื้อรองเท้านี่หายหมดเลยที่อยากจะทำใจให้สงบนะอยากจะไปวัดอยากจะไปไหว้พระสวดมนต์อยากจะไปนั่งสมาธิอยากจะทำบุญนันเลยตอนแต่ถ้ามันไม่คิดถึงความตายมันก็โอ้ยฉันอีกนานก่อนจะตายตอน้นี้ขอเที่ยวก่อนขอไปดูหนังก่อนขอไปไปอะไรต่างๆที่ทำอยู่กันทุกวันนี้พราะคิดว่ายังไม่ตายกัน ไม่เชื่อเดี๋ยวลองหมอบอกว่าเหลือสามเดือนดูเลยจะจะมีจะจิตจัจจายากจะเที่ยวหรือเปล่าความอยากความโลภต่างๆหายหมดเลยให้คิดอยู่เรื่อยๆว่าความตายไม่มีใครกําหนดได้มันตายได้ทุกเวลาเนี่ยออกจากที่นี่ไปไม่มีใครรับประกันแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันพวุ่งนี้เปล่ามันมีโอกาสตายได้ไดหลายรูปแบบด้วยกัน ก็ฝึกสติให้มากขึ้นพุโทโธให้บ่อยขึ้นพุโทโธทั้งวันเลยเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับงานก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดถึงกระเป๋าคิดถึงรองเท้าคิดถึงที่ท่องเที่ยวคิดถึงเงินทองคิดถึงอะไรต่างๆให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้เวลานั่งสมาธินี้มันจะเข้าไปนึกและจะสงบได้นาน เขาเรียกว่างมงายคำตอบก็ค่ะพระอาจารย์มันจะงมงายไงเมื่อมันความจริงเนี่ยที่งมงายก็คือความไม่ของไม่จริงไปไปเชื่อเป็นของจริงก็ถึงเรียกว่างมงายถ้าเป็นของจริงไม่เรียกว่างมงายมันเรียกว่าปัญป ญ, ญาความรู้ความจริง ถ้าทําแล้วมันสงบก็ได้แล้วแต่บางคนใช้อย่างเดียวบางคนใช้สองอย่างก็ได้ตามใจต้อถามจากคุณปาเดรีอาการจิต ด, ดิ่งมีลักษณะอย่างไรครับก็เห ม, มือนเวลาเราดิ่งลงเหวาดำกระโดดเข่าดูเ ล, เ, ลดดเลยแบบเขาเรียกมันจีม้มีอย่างนี้มีให้คนกระโดดแล้วมีไอ มีเชือกยางดึงเอาไว้ผูกเอาไว้ลองอยากจะรู้มันเป็นงไงก็ลองไปกระโดดดูกระโดดลงจากที่สูงมันดิ่งลงมาดิ่งพระสุธาไงครับเรียกดิ่งพระสุธาจิตก็เหมือนกันจิตเวลามันจะรวมมันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นคําถามเจ้คุณธานาชายัยถือสินแปกที่บ้านได้ไหน ได้ถือที่ไหนก็ได้สินแบบมันอยู่ที่กายวาจาใจามันไม่ได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดท่านถามจะคุมสิหาหนูมีคู่ที่ดีเมื่อตายไปแล้วกลับมาเกิดอีกหนูต้องมาชอบแบบมีคู่อีกหรือเคล่าคะหนไม่อยากเป็นแบบเดิมจะทําอย่างไรคะก็จะหัดไม่ชอบดูดดสุภาพ ข, ของเขาถ้าเห็นน่าสุภาพ ข, ของเขาบ่อยๆต่อไปก็จะไม่ชอบแล้วไปเห็นแต่สุภาพมันก็เลยชอบ ส่งออกไปเห็นมิสไปเที่ยวดูป่าน้ำตกแล้วเราดูไปเรื่อยๆกระทั่งมันจบแล้วไปดูอย่างอื่นต่อแบบนี้กระทั่งย้อนกลับมาที่ตัวเราเช่นนี้ถูกต้องไหมครับหรือควรระวังไม่ให้ออกไปเลยก็หมายถึงไปเที่ยวทางร่างกายเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใจไม่สงบใจไม่มีความสุขมีแต่ความเพลิดเพลินชั่วคราวคำ ถ, ถามจากคุณน้อยนาะ แต่มองร่างกายเหี่ยวย้นเกิดความเข้าใจความไม่เทีย่ยงของสัมคานคือเป็นอารมณ์กรรมฐานไหมคะก็แล้วแต่ว่าเราละร่างกายได้หรือเปล่าเหี่ยวย่นก็เลยไม่ไปหาถ้าเหี่ยวย่นแล้วยังไปหาหมอทําสัลยกรรมอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เป็นกรรมฐานอยู่ถ้าเห็นเหี่ยวย่นแล้วก็ปองว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายเป็นอนัตตาไปห้ามมันไม่ได้ไม่เดือดร้อนกับความเหี่ยว ย่นของหนังนี้ก็ถือว่าเป็นวิปัสสนาเป็นกรรมฐานเอถ้าเห็นแล้วยังใจวิตกกังวลอยู่ก็ยังเป็นกิเลสอยู่ยังไม่เป็นกรรมฐานเห็นแล้วมันต้องโปร่งได้วางได้คําถามเจ้าคุณเรามีวิธีที่จะทําให้เรามีสติอยู่กับตัวมากที่สุดในระหว่างวานันต้องทําอย่างไรครับก็สองอย่างให้ท่องพุโทโธไปบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือเฝ้าดูร่างกายเราตลอดเวลา เหมือนกับเป็นนักโทษเราเป็นผู้คุมคอยเฝ้าดูร่างกายอย่างเดียวอย่าใจอย่าไปที่อื่นให้อยู่ดูว่าร่างกายตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนกําลังกินกําลังอาบน้ํากําลังแต่งตัวกําลังทําอะไรก็ให้เฝ้าดูการกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียวไปเราก็จะมีสติเพราะใจมันจะไม่ลอยไปกับความคิดต่างๆ พอดีเห็นฝันความแก่ชราของตัวเองเป็นเพราะที really ่เรตหลอกเราว่าเกิดจากการที right coma, <t <t <t ่เราพยายามพิจารณาร่างกายก่อนนอนหลับหรือเปล่าคะก็เป็นความคิดของจิตเราไงถ้าเราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะฝังอยู่ในใจเป็นนิสัยเวลานอนหลับบางทีมันก็จะโผล่ขึ้นมาคําถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งลูกจะมีวิธีการปฏิบัติกําจัดความกลัวได้อย่างไร ก็ต้องไปหาสิ่งไปหาความกลัวแล้วก็ใช้สติหยุดมันหรือใช้ปัญญาทาลายมันจนไปอยู่ในป่าช้าแล้วก็พอเกิดความกลัวก็ให้สวดมนต์ไปบริกรรมพุโทโธไปอย่าสนใจไปหาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเราพอใจเราอยู่กับบทสวดมนต์แลวอยู่กับคาบริกรรมพุโทโธใจเราก็จะสงบแล้วความกลัวก็จะหายไปแต่มันจะหายเพียงชั่วคราว เดี๋ยวพอเราไปคิดใหม่มันก็จะกลัวขึ้นมาอีกถ้าอยากจะแก้อย่างถาวรก็ต้องพิจารณาว่าความกลัวนี้สิ่งที่มันจะทําเรามันอย่างมากก็ฆ่า่าเราเท่านั้นเองมันจะฆ่าเราไม่ฆ่าเราเราก็ต้องตายอยู่ดีงั้นเรายอมตายแต่ก็รทีว่าถ้าคิดว่าถึงเวลาเราจะต้องตายถ้าเรายอมตายปับ๊บในความกลัวก็จะหายไปอย่างถาวร ความกลัวก็เกิดจากความรักตัวกลัวตายนี่เองถ้าเราไม่กลัวตายแล้วความกลัวก็จะไม่มีแลถ้าเราไม่รักตัวกลัวตายแล้วความกลัวก็จะหายไปคำถามจับคุณส่งโดยขณะนั่งสมาธิถ้ามีมดหรือยุงมากัดเราก็ปล่อยให้เขากัดไปใช่ไหมครับแต่ขณะโดนกัดนั้นจิตเราจะไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นกระผม้ยาํามนำจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจสักพักความเจ็บความคันก็หายไป แบบนี้ก็ับผมปฏิบัติถูกต้องไหมครับถูกแล้วถูกแล้วปล่อยวางอย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้กํากับใจใจะใช้พุโทโธก็ได้ใช้การดูลมหายใจก็ได้แล้วเดียวมันก็ผ่านไปยุงมันมากัดก็เหมือนกับพยาบาลมาจะขอเลือดไปหน่อยอ น, นั่เองแป๊บเดียวนะวินาทีนาะทีหนึ่งมันก็ผ่านไปแล้วต่อไปเราก็จะอยู่กับพวกนี้ได้อย่างสบาย คำถามจ้าคุณนัทธวันรการทาบุญถวายปัจจัยผิดไหมครับไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าต้องถวายถูกตามหลักพระวินัย mm hmm. เช่นอย่าไปถวายกับมือพระท่านจะมีที่บอกให้เราวางไว้แล้วท่านจะให้ผู้ที่เชื่อถือได้เก็บรักษาไว้อีกทีหนึ่งเวลาท่านต้องการใช้ท่านก็จะเรียกจากเขาอีกทีหนึ่งแต่ใส่บาตรไม่ได้เวลาบินทบาทไม่ควรใส่ไปในบาตร ถวายก็อย่าไปยื่นกับมือท่านทำตามที่ท่านบอกท่านจะบอกเองแต่พระบางรูปท่านก็ไม่ท่านก็ไม่มีท่านรับทันทีก็มีอย่างนี้พระแบ่งเป็นสองนิกายพระที่รับเงินกับมือกับพระที่ไม่รับเงินกับมือเรนก็ลองรู้ว่าวัดที่เราไปนี่เขาเป็นวัดนิกายไหนถ้าเป็นวัดที่เขารับกับมือเราก็ถวายกับมือไป ถ้าเราวัดที่ก็ไม่รับกลับมือเราก็ต้องถามเขาว่าให้วางไว้ตรงไหนส่วนใหญ่ก็ให้วางไว้ข้างหน้าอย่างี้เดี๋ยวท่านก็จะให้ลูกศิษย์มาเก็บไปรักษาให้ต่อไปหรือไม่เช่นนั้นก็เอาไปเก็บไว้ที่ปลอดภัยไปฝากไว้ในธนาคาร <c oughs> ถึงเวลาก็ไปเบิกมาใช้ได้แต่ไม่ให้พระครอบครองเงินไม่ให้พกพางเงินทองไม่ให้ไปซื้อข้าวของด้วยตนเองเราอยากจะต้องการอะไรให้ลูกศิษย์เป็นคนไป ไม่ใช่อยากจะซื้ออะไรก็เดินไปในร้านแล้วก็ไปสั่งซื้อเลยอย่างนี้ไม่ได้คำถามจะคุณปิชายากร น, นั่งสมาธิเพื่อให้จิตตั้งมั่นใช่ไหมครับทำทั้งหลายจะปรากฏเมื่อจิตตั้งมั่นใช่ไหมครับเ อ, อ่อให้จิตตั้งมั่นจิตสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เราสามารถออกพิจารณาทางปัญญาได้ สลักษณะของจิตตั้งมั่นเป็นยังไงครับอันนี้ต้องทําเอาเองเหมือนกินข้าวอิ่มเป็นยังไงอธิบายไงก็ไม่เหมือนกับที่ตนเองสัมผัสเองอยากจะรู้ว่ากินข้าวอิ่มกินเป็นยังไงก็ลองกินดูเลยเดี๋ยวก็อิ่มเองอยากจะรู้ว่าการตั้งมั่นของจิตเป็นยังไงก็ฝึกสติไปนั่งสมาธิไปเดี๋ยวก็จะเจอเองคาถามจากคุณขุนศึกเมื่อเช้านี้ไปใส่บาตไม่ทนันไปถึงวัด ท่านให้พรญาติโยมแล้วกำลังฉันอยู่กระผมเอาข้าวไปถวายท่านอีกขณะที่ท่านฉันอยู่อย่างนี้สมควรหรือไม่ครับแล้วจะได้บุญใหมครับได้ก็ถ้าท่านยังฉันอยู่ท่านก็ยังรับได้ท่านก็รับแม้แต่ท่านไม่ฉันแล้วท่านก็ท่านอาจจะเมตตารับให้เราเพื่อเราจะได้บุญส่วนท่านจะไปฉันเองหรือจะเอาไปทําทานต่อก็ไม่เป็นปัญหาอะไรประเด็นก็คือถ้าเราได้ถวายของแล้วไม่ว่าจะถวายตอนไหน เราได้บุญ ท, ทันทีแต่ถ้าเราไม่ได้ถวายนี่เราก็จะไม่ได้บุญถ้าเรากลับไปกินที่บ้านนี้เราก็จะไม่ได้บุญแต่ถ้าถวายผ้าไม่ได้เราก็ไปให้ขอทานต่อเราก็ยังได้บุญอยู่คำถามเจ้าคุณนันทนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะบรรดาลสิ่งต่ตางๆมีจริงไหมครับเทวดามีจริงแล้วท่านจะบรรดาลสิ่งต่างๆได้ไหมเจ้าคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเป็นสิ่งที่ ที่สอนเราพอย่างพระพูดพระธรรมพระสงฆ์นี่เราถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบรนดานอะไรให้เราไม่ได้แต่ท่านสอนให้เราบรรดาลด้วยตัวเราเองได้ด้วยการสอนให้เราปฏิบัติประพฤติดีปฏิบัติ ด, ด, ปต ด, ดีปฏิบัติชอบเราก็จะได้ดิบได้ดีได้ส่วนเทวดาทั้งหลายนี้เขาก็ช่วยเราได้เช่นเขาอาจจะไป ไปเข้าฝันคนบางคนให้มาช่วยเราถ้าก็ใหเราเดือดร้อน ต, ตัวเทวดาช่วยไม่ได้เขาก็อาจจะไปเข้าฝันบอกให้ hey, พรุ่งนี้ไปทําบุญที่วันนี้นะพระกําลัง อ, อันนี้ก็ก็เป็นได้เขาเรียกว่าเทพบรรดาล เ, เทวดาก็จะช่วยเราแบบนี้ได้แบบนีออ้ช่วยด้วยการบันดาลใจของคนอื่นให้เขาไปทำทำอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับเราี้ แันแี้มนจริงแสดงว่าเรามีเทพคุ้มครองเทพเ็าจะคอยสังเกตดูว่าเราตกทุกข์ได้ยากหรือเปล่าถ้าตกทุกข์ได้ยากเขาก็จะมีวิธียางอยู่ที่นี่บางทีขาดอะไรเดี๋ยวมีคนมาถวายโดยที่ไม่ต้องไปบอกเขาอันนี้ก็เทพเขาก็คอยคอยดูอยู่คอยเฝ้าอยู่คำถามจากคุณนัทวัใส่บาต เออไม่ต้องกวดแต่อุทิศบุญแต่อุทิศก็ได้ไมาอุทิศก็ได้การอุทิศบุญนี่ไม่จําเป็นจะต้องใช้น้ําก็ได้ใช้ก็ได้น้ําไม่ใช่ตัวบุญตัวบุญก็คือความอิ่มใจสุขใจที่ได้จากการใส่บาศส่เสร็จเราก็สามารถระลึกภายในจิตได้ว่าขอแบ่งส่วนบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วชื่อนั้นชื่อนี้ก็ทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้พระมาสวดหรืต้องมีการมีน้ําม า, ม า, ม, ามาเท การรับเงินกับการจับเงินของพระไม่เหมือนกันหรือครับและเป็นการเลี่ยงพวินัยหรือเปล่าครับอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าจะไปตีความกันเองเรื่องของพระเราไม่ใช่เรื่องของโยมโยมไม่ต้องไปกังวล <c oughs> <c oughs> ชอบไปยุ่ ง, ง, <c oughs> ก, งกันเลยกังวลกับเรื่องสินห้าของตัวเองก่อนเถินว่าสาวสินห้างได้อย่างไปกังวลกับสินสองรอยี่สิบเจ็ดสอง พ, อง พ, องพอักก็ถูกไหม ท่านว่าอย่างนี้ก็แล้วแต่ท่านเนี่ยเราก็ไม่ได้ใครบอกว่าต้องเป็นทุกคนเนี่ยหมดแล้วค่ะหมดแล้วเลยอมีใครอยากจะเสริมอยากจะถามไมอมได้ครับการที่เราอุทิศส่วนบุญให้คนอื่นนะครับหมายถึงการแบ่งบุญของส่วนเราไปหรือว่าอ่าแบ่งส่วนที่เราทําอยู่เนี่ยความสุขที่เราได้จากการทําบุญให้ทาน เราก็สามารถแบ่งให้กับผู้ที่เขาไม่มีได้ที่เป็นดวงวิญญาณแต่พวกที่มีมีชีวิตอยู่นี้แบ่งแบ่งก็ไม่มีความรู้สึกเพราะมันน้อยมากสู้ให้เขาไปทำบุญของเขาเองดีกว่าเขาจะได้มากกว่าแลบุญอุทิศนี่ก็เท่าที่พระพุทธเจ้าสอนกันต้องอุทิศด้วยการทำทานสนมะัยนี้ชอบขออุทิศด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิ ว่าไม่ต้องเสียเงินมาดูได้ไหรือเปล่าเพราะพระเจ้าไม่ได้สอนอาจจะได้แต่เพียงแต่ว่าท่านเห็นว่าสถานภาพของเราไม่มีทางที่จะมีบุญจากการรักษาศีลจากการนั่งสมาธิได้หรอกก็เลยเอาบุญจากการทําทานดีกว่ามันแน่นอนกว่าเพราะสถานภาพของญาติโยมนี้ทําทานได้แต่นัรักษาศีลได้ให้ได้ผลยังไม่ไม่มั่นใจว่าได้ไหรือเปล่า นั่งสมาธิแล้วได้ผลนี่ยังไม่มั่นใจว่าได้เปล่ายันอย่าไปเสี่ยงดีกว่าเอาของแน่นของแน่นอนดีกว่าคือถายทานไปทําบุญทําดานไปแล้วก็อุทิศบุญไปใส่บาตรไปก็ได้บุญแล้วพอบุญที่อุทิศก็อุทิศได้นิดเดียวเป็นธรรมชาติของเหมือนส่งของไปทางไปรษณีย์จะส่งรถไปทั้งคันก็ส่งไม่ได้ส่งได้แต่รูปภาพของรถไป มีใหมก็ว่าคาถามจากคุณมนขอเรียนถามว่าบนเขาพระอาจารย์มีที่ปฏิบัติธรรมไหมครับถ้ามีควรไปวันไหนไเวลาไหนครับอ๋อที่ข้างบนนี้เป็นของพระสององ์เจ้าคาระวะ ญ, ญาติโยมนี้นอกจากถ้าไม่ถ้าเป็นคนสนิทสนองกันคนแตกหน้าจะไม่รับเยแล้วต้องมีที่ว่างด้วยซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีงั้นอย่าหวังมาที่นี่เลยไปที่อื่นดีกว่า พอมาก็ต้องมาทาความรู้จักกันก่อนถ้าไม่สนิทสนมกันจริงๆก็ไม่อยากจะให้มาอยู่เพราะว่ามันอยู่แล้วอาจจะอึดอัด จ, จะไม่เข้าใจกันเพราะที่นี่เรามีการปฏิบัติที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกวดขันถ้าเราไม่เคยถูกอยู่กับที่ที่เข้มงวดกวดขันก็จะรู้สึกไม่ไมพอใจได้ถ้าพระเขาบอกว่าไม่ให้ทำอย่างนั้นไม่ให้ทอย่างนี้ยังก่อนที่จะรับคนขึ้นมาอยู่บันนี เราก็ต้องรู้จักนิสัยใจคอกันก่อนเหมือนกับคนที่เราจะแต่งงานกันเนี่ยต้องมั่นกันก่นกอนจะได้รู้จักนิสัยใจคอว่าไปด้วยกันได้หรือเปล่าถ้าไม่ใเจอใครปุ๊บแต่งงานกันปั๊บเล ย, เ, ยเดี๋ยวก็ตีกันนะต้องหยากันและที่มันไม่ค่อยมีอยู่แล้วที่ข้างบนนี้พวกที่มาอยู่อาศัยก็อาศัยเป็นลูกศิษย์ลูกห า, ห, าหรือคนที่เคยบวชแล้ว เ, เคยอยู่จำพรรษาที่นี่มาก่อนแล้วศึกไป แล้อยากจะกลับมาชาติแบตหน่อยถ้ามีที่ว่างก็จะอนุญาตให้อยู่ได้แต่ไม่ได้เป็นที่เปิดสําหรับคนทั่วไปคำถามจากคุณรันทนาข้อสงสัยที่มาถามพระอาจารย์ถือว่าเป็นวิจิกิจฉาไหมคะอ่าวิจิกิจฉาคือแปว่าข้อสงสัยไม่ใช่เลยก็ต้องถามไม่ใช่ไม่รู้ก็ต้องถามอ กขาถึงวิธีแก้วิจิกิจชาก็คือให้ศึกษาธรรมะให้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆให้เขาหาผู้รู้อยู่เรื่อยๆแล้วตอบไปความลังเลยสงสัยในในนรกในสวรรค์ในบุญในบาปเนี่ยวันนี้ก็มาหายสงสัยเรื่องกรรมนะใช่ไหมการสงสัยเรื่องกรรมก็เป็นวิจิกิจช้าอย่างเลยมันจะทําให้เราไม่มีความมั่นใจว่าอะไรผิดอะไรถูกจะทำจะทำะํำลายดีหรือทำลายไม่ดี ในตอนนี้รู้แล้วว่าทําอะไรดีทําอะไรไม่ดีก็สามารถปฏิบัติได้อย่างความมั่นใจหายสงสัยนี่ก็เป็นอา น, นิสงส์ของอันหนึ่งในการฟังเทศฟังธารมมีห้าประการหนึ่งจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ไดฟังมาก่อนสองสิ่งที่เราเคยได้ยินแล้วพอฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับสามจะกาจัดความลังเลยสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ สี่จะทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาและห้าทำให้จิตผ่องใสสงบมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการฟังธรรมหรือสนทนาธรรมกันบทน่าจะมีไหมอ่าคำถามหนึ่งก็แล้วกันคะคำถามจากคุณบามผมจะออกบวชแต่ผมมีครอบครัวแต่ผมกลัวว่าครอบครัวจะอยู่ลำบากผมควรจะออกบวชได้อย่างไร ก็หาเงินให้เขาอยู่อย่างสบายก่อนนะแล้วค่อยไปบวชเะีรยวไม่งั้นก็รอให้เขาช่วยตัวเองได้ก่อนให้ลูกเต้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีงานการอามากินได้เลี้ยงแม่ได้เอราค่อยไปเพราะเมื่อเรามีพันธะต่อกันเราก็ต้องใช้พันธะนั้นให้หมดไปก่อนไม่ใช่เวลาอยากได้เขาก็เอาเข้ามาพอเบื่อเขาก็ทิ้งเขาแล้วก็ไปบวชนี่ อย่างนี้ก็เป็นการเห็นกับตัวแล้วก็จะมีจะมีปัญหาได้เพราะไปแล้วใจจะไม่สบายใจจะวิตกกังวลจะห่วงเขาแล้วก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติได้เอาลนะที่ว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ